พอเลิศงามยามอุดมมงคลผ่านไปแล้วก็ได้เวลาออกบินทบาทท่านเริ่มออกจากที่มหามงคลมองดูกระท่อมเล็กๆที่ให้ความสุขความอัศจรรย์และมองดูทิศทางต่างๆขณะนั้นปรากฏอะไรอะไรก็กลายเป็นมหาอุดมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิ้นเชิงทั้งที่สิ่งทั้งหลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดาของตนของตนนั่นแหลขณะไปบินทบาทใจก็อิ่มรม มองเห็นชาวป่าชาวเขาที่เคยอุปถากดูแลท่านมาเราก็เป็นชาวฟ้ามาจากสวรรค์กันทั้งสิน้นจิตระลึกถึงบุญถึงคุณที่เขาเคยมีแก่ตนอย่างเหลือล้นพ้นที่จะพรรณนาคุณให้จบสิ้นลงได้เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณอดที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่เขามิได้ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณที่พักอันแสนสราญ ขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลงในบาตรใจก็อิ่มธรรมะไม่คิดสัมผัสกับอาหารที่เคยเดิมรงและให้ความพาสุขแก่อัตภาพมาแต่อย่างใดแต่ก็ฉันไปตามธรรมเนียมที่ทาธาตุกับอาหารเคยอาศัยกันมาท่านเล่าว่านับแต่วันเกิดมาก็เพิ่งมาเห็นชีวิตาธาตุขันกับจิตใจปรองดองสดชื่นต่อกันเหลือจะพัฒนาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้าวันนั้นเอง เป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมายและกลายเป็นประวัติสำคัญของชีวิตอย่างประทับใจตลอดมานับแต่ขณะโลกธาตุไหวป้าดินถลมวัตจักรในจิตจมหายไปแล้วธาตุขันและจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างไปอิสระไปตามธรรมชาติของตนไม่ถูกจับจองกดทวงจากฝ่ายใดอินทรีย์าอายตนะหทํางานตามหน้าที่ของตน จนกว่าธาตุขันจะหาไม่โดยไม่มีการทะเลาะวิวาทกระทบกระเทือนกันดังที่เคยเป็นมาการทะเลาะท่านหมายถึงความไม่ลงรอยระหว่างสิ่งภายในกับภายนอกสัมผัสกันทําให้เกิดความยินดียินร้ายกลายเป็นความสุขทุกข์ขึ้นมาและเกี่ยวโยงกันไปเหมือนลูกโซ่ไม่มีวันจบสิ้นลงได้คดีต่างๆภายในจิตที่มีมาก และวุ่นวายยิ่งกว่าคดีใดในโลกได้ยุติลงอย่างราบคาบนับแต่ขณะสารสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องก่อกวนลวนลามต่างๆไม่มีประมาณซึ่งเคยยุดจิตเป็นสนามเต้นรำและทะเลาะวิวาทบาดหมางไม่มีเวลาสงบลงได้เพราะอาวิชชาทันหาเป็นหัวหน้าบงการบัญชางานให้โกลาหววุ่นวายร้อยแ0พประการนั้นได้สงบลงอย่างราบรื่นชื่นใจ หลายเป็นโรคร้างว่างเปล่าภายในจิตที่ผลิตวิชาธรรมะอันบวรขึ้นสวยเมืองจิตตราชแทนอธรรมกิจภายนอกภายในได้เป็นไปตามธรรมะความสม่ำเสมอไม่มีอริค่าศึกศัตรูมากกวนวุ่นวายตาเห็นหูได้ยินจมูกดงกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจรับทราบอารมณ์ต่างๆเป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่อาจเอื้อมปีนเกลียวยุแย่แปล ร, รูปคดีให้ผิดเป็นถูกผูกเป็นแก้แย่เป็นดีผีเป็นคนพระเป็นเปรตเปรตกลับเป็นคนดีดังที่เจ้าอาธรรมมีอำนาจบัญชางานมาแต่เก่าวก่อนนั่งอยู่สบายแม้เป็นหรือตายก็มีความสุขนี่คือท่านผู้นิรทุก์นิรภัยแท้ราชากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นคาท่านอุทานในใจท่านเวลานั้น ท่านอาจารย์องค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นซึ่งเปลืองทุกสิ้นภัยออกจากใจได้ที่จังหวัดเชีงยงใหม่ท่านเลาว่าสถานที่บําเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกภายในก็ดีกระท่อมกุฏิเล็กๆพอหมกตัวทําความเพียรและพักผ่อนกายก็ดีสถานที่เดือนจงกรมก็ดีสถานที่นั่งสมาธิภาวนาในกลางวันและกลางคืนก็ดีหมู่บ้านเป็นที่โคจรบินทบาด พออย่างอัตภาพให้เป็นไปในละแวกนั้นก็ดีรู้สึกเป็นที่ทราบซึ้งประทับใจผิดที่ทั้งหลายยังบอกไม่ถูกและฟังใจตลอดมาจนทุกวันนี้มิได้จืดจางรางเลือนไปเลยนับแต่ขณะที่วัตตจักได้ถูกคว่มลงจากใจเพราะความเพียรสังหารแล้วสถานที่นั้นได้กลายเป็นที่บรมสุขในยุริยาบททั้งหลายตลอดมารากับได้เข้าเฝ้าพระศาสดา ในสถานที่ตรัสรู้และที่ทรงบำเพ็ญเพียรในที่ต่างๆโดยตลอดทั่วถึงฉะนั้นหายสงสัยในพระพุทธเจ้าแม้ทรงปรินิพานไปนานตามการของสมมุติประหนึ่งประทับอยู่บนดวงใจเราทุกขณะมิได้ทรงจากไปตามการแห่งปรินิพานเลยหายสงสัยในพระธรรมว่ามากน้อยลึกตื้นหยาบละเอียดที่ประทานไว้แก่มวลสัตว์ปรากฏว่าพระธรรมเหล่านั้น สถิตยอยู่ในใจดวงเดียวและใจดวงเดียวบรรจุธรรมะไว้อย่างพร้อมมูลไม่มีอะไรบุกพร่องหายสงสัยในพระสงฆ์สาวกองค์สุปฏิปันโนผู้บริสุทธิ์ทั้งสามรัตนนี้ได้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในใจมีความเป็นอยู่ด้วยพุทธธรรมะและสังขะองบริสุทธิ์รวมกันเป็นธรรมะแท่งเดียวมีความสบายหายห่วง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 ไม่มีเวลาอิ่มพอประจํานิสัยของมันเมื่อมีอํานาจตั้งบ้านเรือนบนหัวใจคนและสัตว์แล้วจึงต้องทําการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอยซึ่งเป็นงานประจํานิสัยของมันโดยขอให้คิดอย่างนั้นขอให้พูดอย่างนี้ขอให้ทําอย่างโน้นตามอํานาจของมันอยู่ไม่หยุดถ้าไม่มีธรรมะไว้ปิดกั้นความรั่วไหลจากการบังคับและการขอเอาอย่างดื้อด้านของหลอกกิเลส จึงมักแบ่งหรือเสียให้มันเอาไปกินจนหมดตัวไม่มีความดีติดตัวพอพิงเครื่องซื้อพบต่อชาติเป็นคนดีมีศีลธรรมต่อไปได้เกิดพบใดชาติใดก็ล้วนแต่เกิดผิดที่ผิดฐานไม่มีความสาราญบานใจได้บ้างพอควรแก่ภพกาเนิดที่อุตสาเกิดกับเขาทั้งชาติที่ท่านเรียกว่าขาดทั้งทุนสูญทั้งดอกนั้น ก็คือผู้ประมาทนอนใจแบ่งให้แต่กิเลสเป็นเจ้าบ้านครองจิตใจไม่มีการป้องกันฝ่าฟืนมันบ้างเลยมันจึงบังคับเอาแบ่งเอาจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวดังกล่าวแล้วท่านผู้หมดหนี้สินความพรุงพรังทางใจแล้วจึงอยู่เป็นสุขทุกๆุอิรยาบทในขันที่กำลังครองตัวอยู่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางภาระในขันเหลือแต่ความบริสุทธิ์พุโทโธ เป็นสมบัติทั้งดวงนั่นแหลคือความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดการซึ่งเป็นความสิ้นอย่างอัศจรรย์และเป็นการอันมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในไตรภพผิดกับความเป็นของสมมุติทั้งหลายที่ต่างปรารถนาความเกิดเป็นส่วนมากและออกหน้าออกตามิได้สนใจในทุกข์ที่จะติดตามมาพร้อมกับความเกิดนั้นๆบ้างเลย ความจริงการเกิดกับความทุกข์นั้นแยกกันไม่ออกแม้ไม่มากก็จำต้องมีจนได้นักปราชญ์ท่านจึงกลัวความเกิดมากกว่าความตายผิดกับพวกเราที่กลัวความตายจึงเป็นผลมากกว่ากลัวความเกิดที่เป็นต้นเหตุอันเป็นความกลัวที่ฝืนคติธรรมดาอยู่มากทั้งนี้เพราะไม่สนใจติดตามร่องรอยแห่งความจริงจึงฝืนและเป็นทุกข์กันอยู่ตลอดมา ถ้าปราดท่านมีกิเลสประเภทพาคนให้หัวเราะเยาะ ก, กันแล้วท่านคองอดไม่ได้อาจปล่อยออกมาอย่างเต็มที่สมใจท่านที่ได้เห็นคนแทบทั่วโลกตั้งหน้าตั้งตาฝืนความจริงกันอย่างไม่มองหน้ามองหลังเพื่อหาหลักฐานความจริงกันบ้างเลยแต่ท่านเป็นปราดสมชื่อสมนามจึงไม่ได้ทำแบบโล ก, โลกที่ทากันนอกจากท่านเมตตาสงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอน ส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วยความหมดหวังจะช่วยได้ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้ผ่านพ้นภัยพิบัติสารพัดที่เคยมีในสงสารบัดนี้ท่านถึงสักุปาทิ่เสสนิพานในสถานที่มีน้มว่าโรงขอดแห่งอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในราวพรรษาที่16หรือ17ผู้เขียนจำไม่ถนัด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 โดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่กอไก่กอกาสระสาระอ า, ะอาคือการฝึกหัดขั้นเริ่มแรกที่คลากเล้าไปด้วยทั้งความล้มลุกคลุกคลานทั้งความล้มความเหลวทั้งความดีความเลวสับปนกันไปทั้งความดีใจเสียใจอันเป็นผลจากความเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดในเบื้องต้นจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งจิตแห่งธรรมะของแต่ละฝ่าย ผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นที่พอใจอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสจึงไดอราธนานำลงในปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นเพื่อท่านผู้อ่านที่สนใจใกล้ธรรมจะได้นำมาพิจารณาไตรตรองและคัดเลือกเอาเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนของตนผลอันพึงหวังจากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบรื่นดีงามตามความพยายามของแต่ละท่าน เพราะพระอาจารย์องค์นี้ท่านเป็นพระที่พร้อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่โลกผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอไม่มีความบวกพร่องทั้งมารยาทการแสดงออกทางอาการทั้งความรู้ทางภายในที่ฟังเพชรน้ำหนึ่งไว้อย่างลึกลับยากจะคนพบได้อย่างง่ายใดทําไม่รอดตายก็ไม่อาจรู้ได้เฉพาะองค์ท่านผู้เขียนรอบขโมยถวายนํามท่านว่าเพชรน้ำหนึ่งในวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น มาเกือบ30ปีแล้วโดยไม่กระดาษอายคนจะหาว่าบ้าเลยเพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเองเวลานี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ในที่นี้คือเวลาที่หลวงตาเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเวลานี้ท่านยังมีชีวิตอยู่และให้ความเมตตาอบอุ่นแก่พระเนนจํานวนมากตลอดประชาชนในภาคต่างๆแห่งประเทศไทย ภากันไปกราบไหว้บูชาฟังการอบรมกับท่านเสมอมีได้ขาดทางวัดเห็นความลำบากในองค์ท่านเพราะเข้าวัยชราแล้วจำต้องจัดให้มีการเวลาที่ควรเข้ากราบเยี่ยมรับการอบรมและเวลาพักผ่อนพอสมควรเพื่อทำประโยชน์แก่โลกไปนานไม่หักขาดสะบั้นลงในระหว่างที่อายุยังไม่ถึงการที่ควรจะเป็นโดยมากการต้อนรับขับสู้กัน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 หากไม่สมหวังบ้างก็ทำให้เกิดความขุนมัวภายในว่าท่านรังเกียจถือตัวไม่ให้การต้อนรับขับสู้สมกับเพศที่บวชมาเพื่อชาระ ก, กิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคนนอกจากนั้นก็ตั้งข้อรังเกียจขึ้นภายในและระบายออกในที่ต่างๆอันเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียต่างๆกันมาไม่มีสิ้นสุดพระที่กวรเคารพเลื่อมใส และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็ อ, อาจกลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีศาลใดกล้าตัดสินลงได้ความจริงพระบวชมาก็เพื่อทําประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถไม่นิ่งนอนใจเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างในวันคืนหนึ่งหงทั้งจะเจียดเวลาไว้สําหรับโลก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 ยังมีเวลาพักเครื่องหรือเข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบูรณ์เพื่อทำประโยชน์ต่อไปไม่เช่นนั้นก็ชิบหายบันรย์เป็นในไม่ช้าพระก็มีชายพระอิดพระปูนที่ต้องถูกโยนขึ้นบนตึกนั้นร้านนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆสุดแต่ในช่างเห็นสมควรจะโยนขึ้นนักที่แห่งใดเมื่อเป็นเช่นนี้จำต้องเมื่อหิวอ่อนเพลีย และมีการพักพรหย่อนภาระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลาพอได้มีเวลาเบากายสบายจิตบ้างโดยมากญาติโยมเข้าหาพระมักจะนำนิสัยและอารมณ์ตามชอบใจเข้าไปทับถมรบกวนพระให้ท่านอนุโลมทำตามโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าผิดหรือถูกประการใดเพราะนิสัยเดิมมิได้เคยสนใจในเหตุผลผิดถูกดีชั่ว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 ไปขอให้ท่านทำสเสน่ยาแฝดอันเป็นการทําให้หญิงกับชายรักชอบกันไปขอให้ท่านบอกเลิก ง, งามยามดีเพื่อโชคลาบร่ำรวยหรือเพื่ออะไรร้อยแปดพันานาไม่จบให้ท่านดูดวงชะตาราศีทํานายทายทักให้ท่านบอกคาถาอาคมเพื่ออยู่ยงคงกระพันชาตรีหญิงฟันไม่ออกแทงไม่เข้าทุบตีไม่แตกไปขอให้ท่านรดน้ํามนต์เพื่อสะเดาะเรอกรอเข็นเวรภัยร้ายดีต่างๆเหล่านี้ ซึ่งเป็นการขัดต่อจารีตประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระที่จะอนุโลมได้ยิงครูอาจารย์ที่ประชาชนเคารพนับถือก็ยิงได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเรื่องดังกล่าวแล้วเรื่องอื่นๆในทำนองเดียวกันมากมายจนไม่อาจพัฒนาได้ในวันหนึ่งๆเฉพาะพระธุดงที่ท่านมุงอัตมุ่งธรรมะมุ่งความหลุดพ้นในสายท่านอาจารย์มั่น ท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งพันนี้ท่านถือว่าเป็นค่าศึกต่อการดําเนินโดยชอบธรรมและเป็นการส่งเสริมคนให้หลงทางผิดมากขึ้นหนักเข้าอาจเป็นการทำลายพระและพระศาสนาอย่างออกหน้าออกตาก็ได้เช่นเขาให้นามว่าพระบัตรพระเบอร์ศา ส, สนาบัตรเบอร์พระสเสนยาแฝดศาสนาสเสนยาแฝดเป็นต้นซึ่งทาให้พระและศาสนามัวหมอง และเสื่อมคุณภาพลงโดยลำดับอย่างหลีกไม่พ้นที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้คิดตำหนิท่านสาธุชนทั่วๆไปและไม่ได้คิดตำหนิท่านผู้เข้าหาพระโดยชอบธรรมเป็นเพียงเรียงผดงีเพื่อทราบวิธีปฏิบัติ ต, ต่อกันระหว่างพระกับประชาชนซึ่งแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรามาจะได้ปฏิบัติ ต, ต่อกันโดยสะดวกราบรื่น